มีคลิปวิดีโอเรื่องหนึ่งนะที่เข้าใจว่าแพร่หลายนะไปทางไลน์พอสมควรนะวิดีโอนี้ก็สั้นๆ น, นะสองนาทีเสร็จๆเจข้าใจว่าถ่ายทำที่ประเทศอินเดียแล้วก็เป็นภาพชายผู้หนึ่งนะเป็นผู้ชายเนี่ยซึ่งเข้าใจาเป็นข้าราชการ ก็กำลังเซ็นเอกสารนะเอกสารก็นำเสนอมาเป็นแฟ้มเป็นแฟ้มนะเนี่ยก็จะเป็นการเซ็นอนุมัติหรือเซ็นอนุญาตพอเปิดแฟ้มมาเนี่ยก็จะมีธนบัตรนะสอดอยู่นะธนบัตรที่ก็ประมาณร้อยหรือว่าห้าร้อยนะชายคนนั้นเนี่ยก็ ก่อนจะเซ็นแกก็จะหยิบธนบัตรนะใส่กระเป๋านะแล้วจึงค่อยเซ็นนะเข้าใจว่าเป็นเงินเหมือนกับว่าสินบนนั่นนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยในหลายที่เนี่ยหลายแห่งข้าราชการนี่จะเซ็อนอนุมัติอะไรได้ก็ต้องมีเงินนะแวก็เปิดนะแฟ้มแล้วแฟ้มเล่านะแล้วทุกแฟ้มนี่ก็มีเงิน ติดอยู่นะพอมาเปิดอีกแฟ้มหนึ่งปราก็ว่ามองไม่เห็นเงินไม่เห็นทนบัตรแกก็เพลิกดูนะตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายนะของเอกสารก็ไม่เห็นไม่เห็นเงินเลยไม่มีทนบัตรสอดอยู่ก็เลยคว้างทิ้งนะพอเอิญเนี่ยลูกสาวเนี่ยกลังทำการบ้านนะอยู่ใ ก, ใกล้ เห็นพ่อโยนแฟ้มทิ้งเนี่ยแกก็เลยไปเก็บมาเอามาให้พ่อนะพ่อพลิกดูก็ไม่เห็นมีเงินไม่มีธนบัตรนะสอดอยู่ก็ก็เลยทิ้งไปไม่สนใจนะไปเปิดแฟ้มใหม่นะที่มีเงินมีธนบัตรนะสอดอยูอ่ลูกสาวเนี่ยนะรอสักพักก็ก็ไปหาพ่อเนะีแล้วก็เอาสมุดพกนะสมุดพกนี่ก็หมายถึงสมุดประจํา สมุด ร, รายงานรายงานผลการเรียนเนี่ยมาให้พ่อพ่อก็ดูนะผลการเรียนปรากฏว่ามีหลายวิชานะที่ได้คะแนนต่ำนะนะไม่ถึงสองด้วยซ้ำนะเรียกว่าต่ำกว่ามาตรฐานนะพ่อก็ว่าลูกนะแล้วก็ไม่ยอมเซ็นไม่ยอมเซ็นชื่อเพราะสมุดเนี่ยนะมันก็ต้องให้พ่อเซ็นนะหรือให้ผู้ปกครองเซ็นถึงจะนำไปให้ครูได้ พ่อนี่ก็ว่าลูแเราก็ไม่เซนแล้วก็เครื่องนะเครื่องสมุดนะเครื่องไกลๆเลยนะด้วยความโมโหลูกก็ใจหายนะก็เดินไปหยิบสมุดนะสมุดพกสมุด ร, รายงานเสร็จแล้วก็สักพักหนึ่งแกก็เอาสมุดนั้นมายื่นให้พ่อใหม่คราวนี้พ่อเปิดดูปรกว่ามีเงินนะมีเหรียญมีเหรียญ อ, อ่ อยู่ในสมุดนั่นแหละเด็กเนี่ยนะไปแค่กระปุกมาเอาเงินเนี่ยนะมาสอดไว้ใต้ไว้ไว้ในสมุดนะพราเข้าใจว่าที่พ่อไม่เซ็นเนี่ยก็เพราะว่าไม่มีเงินพอพ่อเนี่ยเห็นเงินนะเห็นเหรียญเนี่ยแทนที่จะดีใจคนนี้เสียใจเลยนะ เพราะว่าตัวเองเนี่ยนะรู้ดีว่าเนี่ยลูกสาวเนี่ยกำลังนะกำลังเจริญรอยตามพ่อแล้วนะแกก็ร้องไห้เลยนะแล้วก็กอดลูกนะด้วยความเสียใจนะเพราะแกกำลังเป็นแบบอย่างให้ลูกได้เห็นว่านะจะเซ็นชื่อต้องมีเงินนะลูกก็เลยเข้าใจว่าเนี่ยพ่อเนี่ยนะจะต้องได้เงินจากลูกก่อนนะพ่อถึงจะเซ็น นะเซ็นชื่อในสมุดพกได้เรื่องก็จบลงโดยที่ว่าพ่อเนี่ยรู้สึกผิดนะว่าได้ทาได้มีพฤติกรรมนะที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับลูกนะอันนี้ก็เป็นการสอนนะสอนสอนเตือนใจคนว่าเนี่ยคนที่ชอบคอร์รัปชันเนี่ยจะทำอะไรก็ต้องมีผลตอบแทนเนี่ย สักวันหนึ่งนะมันก็จะส่งผลเสียนะกับลูกนะลูกก็จะมีนิสัยนี้นะจากพ่อนะเริ่มต้นก็อาจจะจะทําอะไรเนี่ยนะก็ต้องมีผลตอบแทนหยิบยื่นให้จะให้พ่อเซ็นชื่อนะก็ต้องมีเงินให้พ่อนะลูกไปเข้าใจอย่างนั้นนะเพราะว่าพ่อเนี่ยทําตัวเป็นแบบอย่างอันนี้คือสิ่งที่คนไม่ค่อยได้ตระหนักนะว่า ความชั่วนี้ที่ตัวเองทำเนี่ยอาจจะสุขสบายชั่วคราวนะแต่ว่ามันเกิดผลเสียมากมายนอกจากมันผิดศีลนอกจากมันเป็นบาปแล้วเนี่ยมันยังเป็นการสร้างแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับลูกแล้วมันก็เป็นการทำลายความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกได้ด้วยมันมีเรื่องราวทานองนี้นะแต่ จ, จะไม่ใช่เป็นเรื่องการคอร์รัปชันนะแต่เป็นเรื่องการของคนที่เรียกว่า เอาเงินเป็นเป้าหมายชีวิตนะทำแต่งงานนะพ่อคนนึงเนี่ยทำแต่งงานนะกลับบ้านก็ดึกนะแต่เช้าก็ไปทำงานแล้วสาววัตริก็ไม่ค่อยมีเวลากับครอบครัวไม่มีเวลาให้กับลูกนะลูกอยากจะพูดคุยกับพ่อหรือลูกอยากจะให้พ่อไปเที่ยวพาไปเที่ยวลูกพ่อก็ไม่มีเวลาถามทีไรก็บอกว่าพ่อไม่ว่างนะ ลูกถามว่าทําไมถึงไม่ว่างพ่อก็ตอบต้องไปทํางานนะทำไมถึงจะไปทํางานก็ไปหาเงินนะพ่อก็บอกว่าเวลานะแต่ละวันแต่ละวันแต่ละชั่วโมงมันมีค่านะเวลาเป็นเงินเป็นทองนะลูกก็เสียใจนะว่าพ่อเนี่ยไม่มีเวลากับลูกเลยนะลูกก็เป็นผู้หญิงนะอายุ ป, ประมาณแปดเขวบวัยเดียวกับเด็กที่อยู่ในคลิปนะที่พูดถึงกันนะ วันหนึ่งเนี่ยนะลูกก็ถามว่าพ่อเนี่ยทำงานชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งได้เงินเท่าไหร่นะพ่อก็ตอบว่าได้ประมาณนะพันบาทนะพ่อก็ไม่ได้คิดอะไรนะคิดว่าลูกเนี่ยอยากจะรู้เฉยๆนะผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะลูกก็เอาเงินมาให้พ่อเนี่ยห้าร้อยบอกว่าพ่อวันนี้พ่อไม่ต้องไปทำงานนะ เดี๋ยวหนูเนี่ยขอเวลาพ่อสักครึ่งชั่วโมงนะพ่ออยู่กับลูกได้ไหมนะห้าร้อยบาทเนี่ยนะมันก็พอจะอซื้อเวลาพ่อได้สักครึ่งชั่วโมงนะพ่อนะนะพ่อเห็นอย่างนี้พ่ออึ้งเลยนะนะถ้าเราเป็นพ่อนะหรือเราเป็นแม่นี่คงจะอึ้งกันนะถ้าหากลูกนะมาบอกกับเราอย่างงี้นะคืออยากจะมีเวลา อยากจะได้เวลาจากพ่อมากนะถึงขั้นต้องขอซื้อเวลานะอันนี้เพราะว่าพ่อเนี่ยนะส่งสัญญาณผิดให้กับลูกนะส่งสัญญาณผิดให้กับลูกว่าเนี่ยนะเวลาเนี่ยเป็นเงินเป็นทองเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อจะให้เวลาลูกได้เนี่ยนะก็ต้องมีผลตอบแทนนะผลตอบแทนเป็นเงินอันนี้เป็นเป็นสัญญาณที่พ่อแม่เนี่ยส่งให้กับลูกเนี่ยโดยไม่รู้ตัวนะ การกระทาของพ่อแม่เนี่ยถ้าไม่ระวังเนี่ยนะมันจะส่งสัญญาณผิดให้กับลูกนะทำให้ลูกเห็นว่าพ่อเนี่ยนะจะมีเวลาให้กับลูกได้เนี่ยก็ต้องมีผลตอบแทนเป็นเงินจริงๆแล้วเนี่ยนะนี่มันก็เป็นตัวอย่างนะเป็นภาพสะท้อนของครอบครัวสมัยใหม่นะที่พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาใกับลูกนะหรือว่าได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ทาให้ลูกเนี่ยนะ ไม่สามารถที่จะซึมซับรับเอาแบบอย่างที่ดีนะจากพ่อแม่ได้ลูกทุกคนก็อยากให้พ่อแม่ทุกคนก็อยากให้ลูกเป็นคนดีนะแต่ถามว่าทําอะไรบ้างหรือเปล่านะที่จะทําให้ลูกเป็นคนดีนะมีเวลากับพ่อมีเวลากับลูกบ้างหรือเปล่านะส่วนใหญ่ก็คิดว่าถ้าลูกเนี่ยนะมีเงินมีทองหรือว่าถ้าหาเงินหาทองมาให้ลูกได้แค่นี้ก็พอแล้ะ หาเงินให้ลูกนะมีบ้านอยู่สบายนะมีรถขับไปส่งที่โรงเรียนนะบ้านติดแอร์มีของเล่นนะมีโทรศัพท์มือถือมีคอมพิวเตอร์นะแล้วก็มีข้ารงเรียนส่งให้ลูกไปเรียนโรงเรียนดีๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นการาทำสิ่งดีให้กับลูกแล้วแต่ที่จริงเนี่ยสิ่งสำคัญนะมันก็คือสิ่งที่มันก่อนหน้าก็คือเวลาแล้วก็แบบอย่างที่ดีนะ เดี๋ยวนี้มันมีคำพูดว่าเนี่ยจะ ก, ก่อนมันมีคำว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยด้วยนมนะเดี๋ยวนี้มันมีคำว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยเงินนะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยเงินนี่ก็คือใครนะก็คือคนจำนวนมากนะที่มีลูกนะแล้วก็คิดว่านะแค่หาเงินมาให้ลูกนะหรือว่าสร้างความพังพร้อมบริบูรณ์ทางวัตถุให้กับลูกมีเงินส่งเสียลูกไปโรงเรียนดีดๆนะอันนี้ก็พอแล้ว แต่สิ่งสำคัญก็นั้นคือเวลาเวลาที่จะให้แล้วก็ไม่ควรจะเป็นเวลาสาหรับการสั่งสอนเท่านั้นนะการสั่งสอนเนี่ยนเจตนาดีนะแต่ว่าพอลูกโตขึ้นแล้วเนี่ยปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่คือพอลูกเนี่ยน่จะไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่และ พ่อแม่แลรคนจะบ่นว่าลูกไม่ค่อยฟังพ่อแม่เลย si ah, ถ้าสาวไปจริงๆวก ja ็จะเพราะว่าที่ลูกไม่ฟังพ่อแม่ก็เพราะว่าตอนที่ลูกยังเด็กเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ค่อยฟังลูกเหมือนกันนะอันนี้เป็นปัญหาของพ่อแม่นะบน่นตอนที่ลูกเป็นวัยรุ่นลูกไม่ฟังพ่อแม่แต่ไม่ค่อยได้ถามว่าไอ้ตอนที่ลูกเด็กๆ เ, เนี่ยนะพ่อแม่ได้ฟังลูกบ้างหรือเปล่านะ ส่วนใหญ่ก็เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเอาแต่สั่งเอาแต่สอนพูดฝ่ายเดียวนะแล้วก็ถ้าไม่แนะนําถ้าไม่สั่งสอนก็ห้ามโนอนห้ามนี่พอลูกโตขึ้นนะลูกก็ปีก้าขาแข็งเป็นตัวของตัวเองคราวนี้ไม่ฟังพ่อแม่แนละแต่ก็ยังไม่สายนะจะให้ลูกฟังพ่อแม่เนี่ยนะก็ต้องเริ่มต้นจากการที่พ่อแม่หันมาฟังลูกมากขึ้นฟังลูกโดยการสนทนากัน นะสนทนากันนะพูดคุยกันนะไม่ใช่พอมีเวลาก็สั่งสัๆ ง, ง, งหรือว่าสอนอย่างเดียวหรือว่าห้ามอย่างเดียวอันนี้มันไม่ใช่การสนทนากันแล้วไม่ใช่การพูดคุยการพูดคุยมันก็หมายความว่า ant, ฝ่ายหนึ่งพูดฝ่ายหนึ่งฟังพ่อพูดพ่อพูดก็ลูกฟังนะลูกพูดพ่อก็ฟังบ้างนะอันนี้มันจะสร้างบรรยากาศที่ทาใหนะ้มีความคุ้นเคยกัน นะเสรแล้วเนี่ยพอมีบรรยากาศแบบนี้นะพ่อพูดลูกฟังนะลูกฟังลูกพูดพ่อก็ฟังนะถึงเวลาที่ลูกโตขึ้นเนี่ยพ่อมีอะไรอยากจะบอกลูกแม่มีอะไรอยากจะบอกลูกลูกก็ฟังเหมือนกันนะเวลาลูกมีปัญหานะกไ็ไม่ต้องไปพึ่งไม่ต้องไปพึ่งพาเพื่อนอย่างเดียวไม่ต้องไปพึ่งยานะก็หันมาพูดคุยมาสนทนามาบอกเล่านะความทุกข์ให้กับพ่อแม่ พอแม่ก็รู้ว่าเอาลูกมีปัญหาก็จะได้หาทางช่วยได้นะนี่เพราะว่าต่างคนต่างมีเวลาให้กับกันรักกันพราะไว้ใจกันถ้าปัญหาความสัมพันธ์ของพ่อแม่แล้วก็ลูกเนี่ยนะมาเริ่มต้นจากการที่ไม่มีเวลาให้กับกันนะโดยพ่อผู้ใหญ่เนี่ยพ่อแม่ไม่มีเวลากับลูกลูกก็มีเวลากับพ่อแม่อยู่แล้วแต่พ่อแม่ไม่มีเวลาพ่อแต่ทำมาหากินนะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ทำมาหากินนะมันมีอย่างอื่นด้วย มันมีไลน์มันมีเฟซบุ๊กเวลากินข้าวไปออกไปกินข้าวนอกบ้านหรือในบ้านนะพ่อก็ดูลายนะแม่ก็เล่นเฟซนะแล้ลูกจะทําทอะไรนะลูกก็เล่นบางหนิออกไปนอกบ้านนะพ่อก็เล่นไลน์แม่ก็เล่นเฟซนะอยู่ด้วยกันแต่ว่าไม่ได้คุยกันนะถึงเวลาพอลูกโตขึ้นนะลูกมีอะไรลูกก็ไม่ไม่มาบอกพ่อแม่นะลูกมีความทุกข์เรื่องเพื่อนมีความทุกข์เรื่องแฟนก็ไม่มาบอกพ่อแม่ นะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ดีเช่นกินเหล้าติดผู้หญิงพ่อแม่สอนพ่อแม่บอกลูกก็ไม่ฟังนะอันนี้เพราะมันเริ่มต้นจากความสัมพันธ์นะในวัยเด็กนะที่ไม่ค่อยได้มีเวลาให้กับกันและกันนะรวมทั้งการเป็นแบบอย่างที่ดีด้วย